ครับที่การมาตราการหลูกตาที่หลวงตาบอกว่าให้หยุดนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้ไปบังคับที่จะหยุดแต่ให้เราอยู่เฉยๆใช่ไหมครับใช่ใช่ถูกต้องครับถ้าเราพยายามไปทําให้มันหยุดมันเท่ากับว่าเรายังไม่หยุดจริงๆที่หลวงตามหาบัวญาณสัพปณโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือที่ท่านว่านิพาน คือจิตว่างงานหรือใจว่างงานปลดกเกษียณทางใจนิพพานคือจิตว่างงานหรือหรือใจว่างงานคือปลดกเกษียณทางใจถ้านำมาเปรียบเทียบกับเอร่างกายเราร่างกายเราที่พวกที่ทํางานรับราชการแล้วก็ถึงเวลาก็ปลดกเกษียณคือคือเลิกทํางานที่จะไปปรุงแตง่งเพื่อจะไปเอาเงินอ่ย เลิกปรุงแต่งเลิกกระทำงานเลิกกระทําะไรเป็นอะไรเพื่อจะไปเอาเงินเอาเงินได้ใช้ในประจําวันพอเราเอาปฏิบัติธรรมเรากลับมาปรุงแต่งที่จะไปเอานิพพานไปเอาธรรมเลิกการมาทํางานคือเริ่มงานมาแล้วเนี่ยตอนเวลานี้ถ้าเลิกงานมาแล้วแต่ ท่านเหมือนกับเปียกเหมือนประกเตียนมาชั่วคราวตอนนี้ถ้าไม่ได้ทํางานประกเตียนชั่วคราวมาเลิกตอนเวลาเลิกงานแต่ท่านกลับมาทํางานทางใจมาปรุงแต่งภายในเพราะการทํางานทางโลกคือจะไปเอาเงินแต่ท่านกลับมาพอเสร็จแล้วเริ่งานมาท่านกลับมาปรุงแต่งทางใจคือจะไปเอาเงินคือนิพพานแปลอความว่างไปเอาความสุขที่ทุกไม่มีอมันก็ ไม่แตกต่างกันคือเอามาทํางานเพื่อจะแอลเงินแต่เงินทางโลกคือคือเป็นเงินเหรียญเงินแดงแต่เงินในทางธรรมคือนิพพานานิพพานหรือความสุขหรือความสงบอ่ะะาก็ทํางานเยี่ยงเยี่ไปในใจดิ้นรนค้นหาพยายามพยายามโอ้ยเหนื่อยเด็ดเหนื่อยมากเลยจะทําอย่างนู้นจะทําอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้จะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้โอ้เยี่ยงเยี่ ย, ยอ้าวท่านยังไม่เหนื่อยเลยไงทางโลกก็ทำมาเอาวันวันนี้ก็ทํามาตั้งวันแล้วเป็นเวลาพักแล้วตัวเนี้ย อ้าวพอถึงอ้าวก็ไม่ได้พักใจเลยไม่ได้ปกอบเสียนทางใจเลยไม่มีเวลาปกอบเสียนเลยทั้งกายและใจในใจก็ผมไม่ทํางานทางโลกเอาเสร็จแล้วกลับไปบ้านก็ไปทํางานทางใจอีกเอางานที่ทางโลกกลับไปนั่งคิดที่บ้านให้ปวดหัวอีกแล้วก็เอาเรื่องผมมาทํางานก็เอาเรื่องของที่บ้านมาคิดที่ทํางานให้ปวดหัวโดยชีวิตของชีวของท่านเนี่ย ท่นไม่เคยเลยที่จะปลดเกษียณทางใจเลยแม้แต่ผู้ที่ปลดเกษียณออกมาแล้วจากทางราชการจำนวนมากแต่เสร็จแล้วเขาไม่ได้ปลดเกษียณจริงนะไม่ได้ปลดเกษียณทางใจเลยทางจิตใจเขามีแต่ว้าวุ่นมีแต่มีแต่ทุกข์มีแต่เครียดมีแต่ว้าวุ่นไม่เคยปลดเกษียณเลยมีแต่วุ่นวายจะเอาจะเอานั่นจะเอานี่จะเอานั่นจะเอานี่ ถ้ายังจะเอาอยู่มันก็คือยังทํางานอยู่ว่าจะทางโลมจะเอามันจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาพอมาถึงทางธรรมก็จะเอาจะเอาจะเอาเอ่ออย่างนี้มันก็ไม่ปกเสียนที่ต้ตามหาบัวว่านิพพานคือใจว่างงานหรือปกเสียนทางใจและนั้นที่ท่านบอกว่าอธิหยุดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไปทําหยุดใช่ไหมคือเราเยอยู่เฉยๆแน่ๆอยู่เฉยๆร่างกายและใจ ไม่ใช่ว่าไปจับอาการเฉยๆนะคืออยู่เฉยๆทั้งกายและใจให้มันปลดกเกษียณสักบ้างปลดกเกษียณทางกายทางใจสักบ้างเราไม่เคยเลยที่จะปลดเกษียณทางใจอะครับแล้วก็ในส่วนถ้าผมพยายามอในส่วนของเครื่องล่อนะครับแปลว่าเครื่องล่อที่เป็นพุโทโธพุโทโธต่างๆนั้นก็คือเป็นหรือจะเป็นแล้วแต่ใครจะใช้นะครับแต่หมายถึงม่านั้นคือเครื่องที่ทําให้เรา พยายามที่จะให้มีสติอยู่กับมันหรือเปล่าครับอาจารย์เอมันก็เป็นสองกรณีคือถ้าท่านเนี่ยปกกเสียนได้จริงทางกายและใจได้แล้วถ้าก็รู้ตัวอยู่ว่าท่านปกกเสียนทางกายและใจแล้วท่านไมอยู่กับความรู้เนี่ยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่กับรู้นี่เนี่ยรู้ว่าปกกเสียนแล้วทางกายและใจอยู่กับความรู้นี้เลยพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละท่านอยู่กับรู้นี่เนี่ยอยู่กับความรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ว่าปกกเสียนแล้วทางกายและใจ ไม่มีการที่จะดิ้นรนไปเอาอะไรต่อไปแล้วไม่ดิ้นรนที่จะไปเอางานเอาเอาเอาเงินไม่ดิ้นรนที่จะไปเอานิพพานเอาความสงบเอาความสุขไม่มีการกระไม่มีการกระทําอีกแล้วไม่มีการดิ้นรนไม่มีการทํางานอีกแล้วแล้วก็อยู่กับความรู้ตัวว่าไม่มีการกระทําแล้วไม่มีการดิ้นรนถ้าอยู่กับรู้นี่ได้ก็อยู่กับรู้แต่ถ้าไม่สามารถอยู่กับรู้ได้ก็รู้ว่าปกเสียแล้วท้้งอ่า ใจปกกรเสียแล้วไม่ดิ้นรนทางโลกไม่ดิ้นรนทางธรรมปกกรเสียแล้วในขณะนี้ก็อยู่กับรู้รู้ว่าปกกรเสียแล้วเรื่อยไปถ้าก็ฝึกให้ชํานาญแนอาชีประจําวันท่านก็ยุทำงานทางโลกได้ทํางานแต่ใจปกกรเสียที่จะดิ้นรนไปเอาอะไรแต่ก็ทํางานทางโลกไปตามปกติถึงเวลาเดืนเดือนก็ได้เพราะทำงานทางโลกไปตามปกติแต่ไม่เจ้ว่าดินา้นรนทแยตยานมีความโลภอยากจะไปเอาอะไรแต่ก็ทํางานไม่ผิดพลาด ทำงานทางโลกไปไม่ผิดพลาดถึงเวลาก็ได้เงนเดือนแต่อย่างเงี้ยก็ทํางานทางโลกไปด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะไม่ดิ้นรนทะ ย, ยานอยากคือมีกิเลสตัณหาที่จะไปความโลภที่จะไปเอาอะไรอยากได้อยากเอาอยากเป็นมีความอยากอยากยากยากมันก็มีแต่ความทุกข์อยู่กับความรู้นเนี่ยอยู่กับรู้อยู่กับความรู้อยู่กับผู้รู้โดยปกเสียแล้วทั้งใจนั่นแหละถ้าก็จะพบสุขที่แท้จริง แต่ก็ต่านเนี่ยอยู่กับรู้ไม่ได้ท่นก็เอาเอามารู้ไว้กับพุทโ ธ, ธซะโทพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเ พ, พ, พ, พ, พื่อไม่ให้มันฟุ่งซ่านไปมันก็เป็นสองขั้นตอนนะต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดมันปกเสียนทางใจอย่งังหรือว่าจะไปเอาอะไรอ่านใจตัวเองให้ขาดสมัยก่อนตาไป ผ่านภูเขาโลกหนึ่งไนเวลากลางคืนมีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปหาหลวงปู่องค์หนึ่งที่บนยอดเขาอยากจะไปคุยกับท่านเป็นเวลามืดแล้วเคยเคยรู้เคยรู้จักท่านมาอยู่แต่ไม่คุ้นเคยก็เลยขึ้นไปหาท่านที่กุฏิกุฏิท่านไม่มีไฟฟ้าตัวสมนั้นไม่รู้สมัยนี้มียง ก็เลยแจ้งกันเลยไปไปเคาะประตูต่ก็เ ป, เปิดเปิดประตูมาแล้วก็จุดเทียนออกมาเือเทียนมาด้วยวก็เลยคุย ก, กันแล้วท่านก็ว่าอายุท่านจะเก้าสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าไม่กี่วันนี่ก็ไปหามาแต่ก็บอกว่าท่านปฏิบัติมานานมากเลยที่ไหนว่า สำนักไหนว่าดีครูบาอาจารย์ไหนไหนว่าเลิศไปมาหมดเลยประเทศไทยประเทศใกล้เคียงเนี่ยใครว่าดีว่าเลิศสำนักไหนว่าดีว่าเลิเศไหนไปมาหมดเลยทํามาทุกอย่างแล้วแทบจะล้มประดาตายแล้วจนอายุจะเก้าสิบแล้วยังไม่เห็นแม้แต่งเงาพระนิพพานเราถึงเสียใจเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ย เดี๋ยวหลวงปู่ที่หลวงปู่บอกว่าทำมาทุกอย่างแล้วเนี่ยเลื อ, อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้ทำท่านเลยตาโตเลยว่าอะไรอะไรที่ยังไม่ได้ทำมันทำมาหมดทุกอย่างแล้วนะอะไรเลยยังไม่ได้ทำท่านก็ลุกเลยตอนนี้ตาโตหยุดทำยังไม่ได้ทำ ให้สะเทือนใจท่านมากเลยท่านยืนค้างเลยแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลัน่นภูเขาเลยอะทั้งน้ำตาเลยหัวเราะระเบิดดังลั่นทั้งภูเขาเลยอ้าอ้าอ้าอ้าอ้าอ้าโอระเบิดลั่นภูเขาเลยหัวเราะทั้ทงน้ำตาเลยเสน้นผมบางภูเขา ที่ผมเข้าตาตัวเองเขียนไม่ออกเพียงแค่หยุดคำเดียวคิดไม่ออกหลังไปหาท่านก็จำได้ตลอดมาหาท่านบ่อยๆเนาะม า, าท่านบ่อยๆจนะก้าสิบนแต่ยัอยู่จะก้าสิบแต่ยังแข็งแรงมากมันอยู่ที่เราทุกคนอ่านใจตัวเองมันจะมีอยากไม่เลิก โลกก็อยากอยากอยากอยากอยากอยู่ตลอดเวลาภายในใจเราดิ้นรนอยากอยากอยากอยากพอต้องทำมาปฏิบัติทำอยากอยากอยากอยากเอามันหยุดที่ไหน่หยุดอยากเมื่อไหร่ยุดอะที่ทำมาเพราะมันอยากอยากอยากอยากแกได้อะไรอยาจะเอาอะไรอยากจะเป็นอะไรมันเลยอยากอยากอยากมันมีแต่กิเลสตัณหาแล้วพนิพพานมคือสิ้นอะไรสิ้นกิเลสตัณหา หยุดทำจริงๆมันจะว่าหยุดพยายามทำหยุดพอหยุดจริงๆอ่ะปลดกเกษียณทางใจมันก็เลยสิ้นกิเลสตัณหาทางใจตัวเองเองขาดแค่นั้นแหละถ้ามันยังมีการแอ บ, บกระทำทางใจอยู่ก็รู้ตัวทันเหมนซะแล้วปล่อยวางลงถ้าจะมีแอ บ, บกระทำทางใจกับรู้ตัวทันเหมืนซะปล่อยวางลง ทั้งโลกเราทําการงานด้วยความสุจริตมันก็เดี๋ยมก็เลื่อนไปเนี่ยด้วยความรู้ความสามารถขยันเล่าเรียนเขียนอ่านขยันหาความรู้ใส่ตัวมันก็มีเลื่อนมันไปเององเนี่ยทั้งโลกขยันเล่าเรียนเขียนอ่านขยันหาความรู้ใส่ตัวมีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตรด้วยความรู้ความมันก็เลื่อนมันไปตามลําดับ แต่ใจเท่านั้นแหละต้อสิ้นอยากอยากได้อยากเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากอยากยากกมันแบมันก็ดิ้นตลอดเลยตอนนี้ดิ้นทั้งทางโลกดิ้นทั้งทางธรรมเพราะว่าปฏิปติธรรมไอ้ธรรมเนี่ยปฏิัติธรรมคือเขาให้หยุดอยากปฏิปทาธรรมให้มันหยุดอยากหยุดดิ้นเอาพว่าปฏิปทาธรรมกับดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นกับอยากมากขึ้นไปอีกอยากนิพานอยากบรรลุธรรมไปเจอพ่อแม่ครูอาจารย์ปุ๊บไปเจอหน้าปุ๊บท่านบอกว่ามาทําไม มีรู้มีบางท่านไปไปเจอภุตตัวหน้าเราเลยเราได้ยินมาเห็นมาเลยอยากบรรลุโสดาบันไอ้สอนให้หน่อยท่ไล่ไล่กลับเลยบอกกลับเดี๋ยวนี้เลยกลับไปเลยกลับไปเลยเดี๋ยวบ้าอยากมากแบบว่าตัว mm hmm. คนอยากนิพพานเลยอยากนิพพานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ได้บอกช่วยสอนหน่อยเป็นนิพพานหน่อยท่าไล่กลับเลยเดี๋ยวบ้าหนักเข้าไปอมันต้องไม่เข้าใจว่า มันต้องสิ้นยากสิ้นการดิ้นร น, นมันไม่เข้าใจพอตี่ั่านไล่กับเพราะมันอยากอ ย, กอยู่ในใจมันยังไม่ได้ดับอยากดับอยากดับความดิ้นรนอ๋อจิตมันก็สงบลงเลยนั่นแหละนักติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีความสงบนั่นแหละเป็นความสุขอันสูงสุด นิพพานังประมังสุขขังความสุขอันสูงสุดนันแน่ที่เกิดจากความสงบเนี่ยคือ น, นิพพานนิพพานังประมังตุนยังนิพพานคือความว่างเปล่าจากความปรุงแต่งทงั้งหมด